หรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลโลเนื่องในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัทย์ยศแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชินานามว่าพระภาวนาวิสุทธิคุณเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล น, นี้คณะสิทธิในพระเดชพระกุลหลวงพ่อจะขอนำชีวประวัติซึ่งมีธรรมะที่จะ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 ผลงานการเผยพแพร่ธรรมะของท่านเป็นประจักษ์พยานจนได้รับรางวัลดีเด่นด้านการเผยพแพร่พระพุทธศาสนาภายในประเทศเป็นรางวัลเสมาธรรมจักเมื่อปีพุทธศักราช2536 6. ด้านสังคม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 ความเจริญเติบโตของทางวัด ส, ส่วนใหญ่จึงเป็นผลงานด้านการอบรมธรรมะปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นและการศึกษาภาคปริยัตและปฏิบัติของพระพิสุสงสามเนรที่เพิ่มขึ้นหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้จัดตั้งทุนพัตนาหารกีฬานเพสัตและทุนการศึกษาของพระเพื่อสามารถจะนําดอกผลของกองทุนนี้มาเป็นค่าใช้ใจ่ายในด้านพัตนาหาร